ส่วนสมาบัติ8ที่เป็นบาตรรองรับวิปัสสนานี้ชื่อว่าสมาธิหมายคือว่าเจริญปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วก็เจริญวิปัสสนาเนีนน่ยนะเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วก็เจริญวิปัสสนาออกจากตติยฌานแล้วก็เจริญวิปัสสนาเป็นต้นลักษณะนี้เรียกว่าสมาธิคือพระปุณณะทั้งหลายพระปุณณะเนี่ยเป็นผู้ที่มีสมาธิด้วยตัวของท่านเองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นมี สมาธิเนี่ยนะส่วนปัญญาญานะทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเนี่ยนะโลกิยะปัญญาก็คืออะไรสุตตมยายานจินตามยายานโลกุตระปัญญาก็เช่นภาวนามยายานหรือว่าศีอะไรนะสุตตมยายานศีลมยายานสมาธิภาวนามยายานปัจยะอ่าปัจจยะเปรกขายานสำมาศนายอุทะยพยายนวิปัสนาญาณหรือที่เรียกว่าพังขายาน อาทีนวายานนิพิธายานสังขารุเปกขาญาณมุนจิตุกรมมยตานมุนจิตุกรรมย ม, ตรรมยตายานโคตรภูญาณมขยานผลญาณปัจเวกนาญาณวิมุตติญาณเนี่ยนะญาณในอายตนะภายในญาณในอายตนะภายนอกเป็นต้นซึ่งการกล่าวถึงปัญญาทั้งหลายที่รอบรู้อรอบรู้ธรรมทั้งหลายนี่นะด้วยอนุภาพของปัญญาอันนั้นแหละเอาปัญญาเรื่องปัญญามาสนทนากาันอันนั้นเรียกว่า คือตัวตัวเองเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็บอกสอนแนะนําให้ผู้อื่นมีปัญญาอย่างนี้ด้วยเขาเรียกว่าปัญญากระถาเนี่ยนะว่าวิธีเจริญวิปัสสนาเจริญเช่นนี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือวิมุตติวิมุตติที่เป็นอริยผลเนี่ยนะก็สนทนาการเรื่องโสดาปฏิผลดียังไงสกทาคามีผลดียังไงอนาคามีผลดียังไงแล้วก็อรหัตตผลนั้นดีอย่างไรเนี่ยนะถ้าอริยอริยผลทั้งหลายเหล่านี้มีองค์ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีคุณานิสง์ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่าใดการสนทนาเรื่องโสดาปฏิพนเช่นโซดาปฏิผลยิ่งใหญ่กว่าธิปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิเสดาโซดาปฏิผลเนี่ยมีคุณมากยิ่งกว่าเอกราชในแผ่นดินเป็นต้นเรียกว่าอนุภาพของอารยผลทั้งหลายแล้วมาคุยกันมาปฏิปตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าถึงคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็แนะนําผู้อื่นให้ได้มีวิมุติเช่นนี้เรียกว่าวิมุตติก ส่วนอันสุดท้ายปัจเจกขณะยานปัจเจกขณะยาน19ชื่อว่ายานทัศนะเนี่ยนะวิมุตติยานทัศน์เป็นชื่อของปัจเจกขณะยานปัจเจกขณะยานของพระโสดาบันมีหของพระสกะทาคามีมีหของพระนาคามีมีหพระทหารมีอีก4ีเนี่ยนะ พระโสดาบันหก็คือว่าพิจารณามัจพิจารณาผลพิจารณานิพพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วและพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่พระสกทาคามีก็อห้าพระอนาคามีก็อหส่วนพระอรหันต์ก็พิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณามัจพิจารณาผลพิจารณานิพพานส่วนการพิจารณากิเลสที่เหลือไม่มีเพราะไม่มีกิเลสให้ละอีกต่อไป ท่านพระปุณณมันตานีบดตัวท่านเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะแล้วก็ยังบอกสอนให้ผู้อื่นเนี่อรักษาศีลบอกสอนให้ผู้อื่นมีสมาธิบอกสอนให้ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยปัญญาให้ได้รับวิมุตติให้มีวิมุตติญาณทัศนะเพราะฉะนั้นพระปุณณนะมันตานีบุดจึงชื่อว่าเป็นโอวาทกะเพราะท่านโอวาด้วยกถาวัตถุสิทธ ก็คือโอวาทให้ว่าท่านทั้งหลายควรอะไรมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรท่านทั้งหลายควรเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนนะทัศนเะรียกว่าโอวาทถ้าตามโอวาทบ่อยๆเรียกว่าพร่ำสอนเรียกว่าอนุสาสนีนี่นะภิกษุรูปหนึ่งย่อมสอนตัวเองได้สอนให้ตัวเองปฏิบัติอย่างนี้ได้แต่ไม่สามารถที่จะยักเยืง ข้อความที่ละเอียดให้คนอื่นรู้ได้อย่างไรพระเถระไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระเถระชื่อว่าวินยาปะกะเพราะทำผู้อื่นให้รู้กถาวัตุสิทธิ์เหล่านั้นด้วยบางคนเนี่อรู้นะหัวข้อหนึ่งสองสามสี่เป็นอะไรแล้วเข้าใจนะตัวเองเข้าใจแต่ว่าไม่รู้จะบอกคนอื่นว่าอย่างไงเนี่ยนะเข้าใจอ่ะนะจำได้ด้วยนะเล่าให้คนอื่นฟังได้แต่ถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เข้าใจเนี่ยอธิบายไม่ได้เรียกว่าอธิบายต่อไปไม่ได้เลยพวกนี้เรียกว่า ไม่ใช่วิญญาประกะส่วนพวกวิญญาประกะเนี่ยตัวเองเข้าใจอย่างดีเลยนะแล้วบอกคนอื่นถูกต้องแล้วคนอื่นเขาไม่เข้าใจก็พูดจนเขาเข้าใจเขายังไม่รู้แจ้งก็พูดให้เขาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอันนี้เรียกว่าวิญญาประกะผู้ให้โอว่า ด, ด้วยแล้วก็โอว่าแบบคนอื่นเขาฟังแล้วเขาเข้าใจลักษณะว่าธรรมของยากให้เป็น ของง่ายบางคนเนี่ยทำเรื่องง่ายให้มันยากยากนี่ยนะไอ้ของมันง่ายอยู่แล้วมันก็ทําให้ยากไอ้ของที่ยากแล้วก็ทําให้ไม่ต้องพูดถึงอะไมันยากที่สุดแล้ววังงั้นน่ยนะเพราะเรื่องยากอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยทำของง่ายก็มันก็ง่ายอยู่แล้วแล้วก็ทําของยากให้เป็นของง่ายได้ด้วยพระเทระเป็นกลุ่มนั้นเนี่ยนะเรื่องมรคนี่นะเรื่องมรคน้ี่มันจะเป็นเรื่องทําได้ง่ายๆนะแต่ท่านพูดให้คนอื่นเข้าใจแล้วทําตามได้เรื่องสันโดเรื่อง วิเวกเรื่องไม่คลุกคลีเรื่องปรารบความเพียรเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัทัศนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้แต่และตัวก็ไม่ใช่ว่าเข้าใจง่ายๆและคนอื่นโดยมากไม่พร้อมที่จะเข้าใจไม่อยากเข้าใจด้วยแต่ท่านมีความสามารถพูดให้คนอื่นฟังและทําให้คนอื่นเข้าใจอย่างทะลุปรุโปรงแล้วก็แจ่มแจ้งบางท่านเนี่ยนะแสดงให้เหตุให้คนอื่นรู้ทําทให้คนอื่นเข้าเข้าใจเรื่องนั้นแต่อธิบายชักเหตุชักผล ให้คนอื่นยอมรับไม่ได้ส่วนพร ะ, พระปุณณมันตานียบทเนี่ยชื่อว่าสันทัศกะเพราะแสดงด้วยเหตุได้ไม่พูดเหตุพูดผลว่าไปยังไงมายังไงเนื้อหาเป็นยังไงเนี่ยนะอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งสำหรับบ า, บ, าบางรูปเนี่ยนะแสดงเหตุแต่ว่าพูดแล้วเขาไม่เชื่อบางพูดแล้วพูดแล้วเขาพูดดีนะพูดถูกนะพูดเป็นนะแต่พอจบแล้วไม่เชื่อเรนะแต่พระ Raining, พระมหาพระปุณณมันตานีบุตรสมมาทพะกะพูดให้เขาเชื่อได้พูดให้เขาเอาไปปฏิบัติตามได้ะคือบางคนเนี่ยนะพูดให้คนอื่นเขาฟังเพราะๆได้แต่คนอื่นเขาไม่คิดจะไปปฏิบัติตามเช่นใครให้เด็กๆอ่านหนังสือให้ฟังอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้พร้อมที่จะไปปฏิบัติตามอะไรเออมันก็อ่านดีอ่านเพราะดีอะไรดีแต่ก็ไม่ได้คิดจะต้องไปปฏิบัติตามนั้นแต่พระปุณณมันตานีบุตรสอนให้เขาเนี่ยเอาไปสมาทานประพฤติเป็นหลักการใน ชีวิตสามารถที่จะปฏิบัติตามนี้จนตลอดชีวิตนะบอกให้ผู้อื่นปฏิบัติจนได้ตรัสรู้ตามท่านได้ก็เรียกว่าสมาธปะกะสอนให้คนอื่นอสมาทานเอาไปใช้ได้จริงๆนะพูดให้เขาปฏิบัติตามได้หรือที่เรียกว่าพูดแล้วมีผลบังคับใช้นะผู้ฟังแล้วถูกบังคับให้ไปเอาไปใช้ใช้แบบใช้แบบไหนเครียดเลยใช่ไหมบอกไม่เพราะพระเทระเป็นประเภทสมุตตเชตกะ พอชักชวนให้เขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วพระเถระพูดให้เขาอาจหาร่าเริงในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเขากล้าเขากล้าไปปฏิบัติจริงๆเลยและสุดท้ายสัมปหังส ก, กะเพราะอะไรเพราะสันเสริญภิกษุผู้ที่ปฏิบัตินั้นให้อุสาหะและวก็ร่าเริงประพฤติปฏิบัติตามอย่างไม่เครียดอย่างไม่งุดหงิดเนี่ยนะมันพระเถระสามารถที่จะสอนผู้อื่นในคาถาวัตถุสิทธิ์มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลี วิเวกปรารบความเพียรสอนให้คนอื่นเขาถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานทัศนะนะขณะเดียวกันแล้วเนี่ยนะพระชวิสูรูปอื่นก็เห็นแจ้ง น, นะอาถานสมาธานร่าเริงยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็สำเร็จผลตามที่พระเถระแนะนำทุกประการเพราะอะไรเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมอันดีเนี่ยนะเป็นเป็นสวากขาตธรรมเป็นธรรมที่ พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วแล้วก็เป็นนิยา น, นิกรทํมว่าผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็ออกจากวัตทุกได้ทีนี้ในข้อความในบาลีต่อบอกว่าภาษารีบุตรเนี่ยนะนั่งเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ณนะที่ตรงนั้นเนี่ยนะก็คิดว่าเป็นลาภของท่านพระปุณณมันตานีบุตร ในหน้า3 4 8 ร, ร้อยสี่สข้อรสิบานะภาษาภบุตรฟังจบปั๊บคิดเป็นลาบของท่านพระ ป, ปณะุปณมนตานีบุตรแล้วความเป็นมนุษย์อันท่านพระปณุณนะมะตานีบุตรได้ดีแล้วที่พวกเพื่อนพรหมจันทร์ผู้เป็นวินยูชนเพราะคนที่พูดถึงเป็นคนฉลาดทั้งหมดเลยเลยนะคือคนโง่เนี่ย เ, เอาเอาปากคำของคนโง่เป็นประมาณไม่ได้เอาคำของวินยูชนเป็นประมาณว่า เพื่อนสัพพรมจันเนี่ยนะผู้ร่วมปฏิบัติธรรมที่เป็นคนฉลาดกล่าวยกย่องพันนายกย่องคุณนธรรมของพระปุณณมันตานีบุตรเฉพาะพระภักของพระศาสดาพูดได้รับคําชมต่อหน้าและคนที่ชมเนี่ยเป็นคนเก่งคนฉลาดคนที่มีความรู้ความสามารถชมคนนี้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าชมต่อพระพักของพระพุทธเจ้าทีนี้พระศาสดาคือพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาการกระทําของ พระภิกษุ อ, อนุโมทนาว่าพระปุณณมันตานีบุตรนั้นดีอย่างนั้นจริงๆมันภาษารีบทิดไว้ว่าบางทีเราคงได้พบกับท่านพระปุณณมันตานีบุตรแล้วก็สนทนาปราศัยกันสักครั้งหนึ่งหมาถ้าได้ดีขนาดนี้นะทุกคนก็มาชมชมต่อนหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขออนุโมทนาชื่นชมแม้ใครได้เห็นเนี่ยถือว่าได้ดีแล้วว่างั้นแมายถ้าขอได้พบท่านสักครั้งหนึ่งก็ยังดีงก็ถือว่า การสรรเสริญเนี่ยนะในอัตถกถาหน้า373ข้างล่างบอกว่าคุณอ่านะเป็นลาบของพระปุณณมันตานีบุตรเรียกว่าอัตภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาบแล้วได้เป็นมนุษย์อ่า น, นะได้บวชได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้พระพฤติดีปฏิบัติชอบแนะนําบอกคนอื่นเนี่ยถือว่าพระปุณณมันตานีบุตรได้ดีแล้วคุณธรรมเหล่านี้เป็นลาบเป็นการได้อย่างดีของท่านปุณนะ ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงขจรอย่างนี้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้ยินได้ได้ยินคําชื่นชมสรรเสริญพระปุณณะจากเพื่อนพระสัพพรมจันท ร, ร์ทั้งหลายขณะเดียวกันท่านบอกว่าการกล่าวสรรเสริญโดยผู้มิใช่บัณฑิตไม่เป็นลาบใช่ไหมเอาคนโง่ชมเราเนี่ยดีไหมเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าเอาตาบอดมาชมมาอ้ยทำไมคุณสวยจังเลยเนี่ยนะคกิน เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นคนสวยขนาดนี้แต่ว่าตาบอดชมนะคนหูหนวกฟังทำไมเสียงดีเหลือเกินไพเราะจับใจลึกซึ้ง่นะแต่ว่าหูหนวกถามว่าน่าสนใจไหมให้ปัญญาอ่อนนั่งชมเราอย่างเดียวเนี่ยนะานะบอกว่าคนผ่านคนโง่เขาอย่างนั้นชมไม่เป็นประมาณเนี่ยนะเอาการสรรเสริญต้องเป็นการสรรเสริญของบัณฑิตการที่บัณฑิตชื่นชมรับรองนีส่สิจึงจะใช้ได้ อีกนหนึ่งท่านบอกว่าครือขัดสันเสริญก็ไม่เป็นราบนะว่าเอาครือขัดชมก็เชื่อมไม่ค่อยได้เหมือนกันพออเพราะนั้นทําไมอ่ะเพราะอะไรเพราะคารวาสบางทีชมนะเป็นการด่าพระด้วยซ้าไปนะการชมของคารวาสเท่ากับด่าพระก็การด่าพระเท่ากับชมพระก็มีมาดูตัวอย่างเขาบอกว่าครือขัดเนี่ยนะคิดว่าจะสรรเสริญกําลังกล่าวว่าคือมาสันเสริญพระนะสันเซินพร ะ, พระที่ไหนกํากลังด่าพระ บอกแม้พระผู้เป็นเจ้าของเรานี่มีวาจาละเอียดอ่อนพูดอ่อนหวานพูดหน้าคบเป็นสหายมีวาจาไพเราะเนี่ยนะสงเคราะห์ผู้ที่มาวิหารด้วยข้าวต้มข้าวสวยน้ําอ้อยเป็นต้นคือก็แปลว่าด่าพระนั่นแหละว่าโอพระรูปนี้ไม่ทําอะไรวันๆหนึ่งนั่งประจบคารวะทั้งวันเนี่ยนะก็เท่ากับว่ากําลังด่าพระดีๆนี่แหละเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าถ้าหากว่าคารวะชมพระแบบนี้แปลว่าพระกลุ่มนั้นกําลังถูกด่า นะเพราะว่าเพราะาประจานว่าชีวิตของตัวเองเนี่กลายเป็นว่าเป็นคนที่คอยรับใช้คารวาตทั้งวันเนี่ยนะทีนี้บางทีนะคารวา ต, ติเตียนพระบางทีเท่ากับชมเช่นเขาชมว่าพระเทระรูปนี้เนะี่ยทําตัวเหมือนคนปัญญาอ่อนเหมือนคนไม่มีเรี่ยวมีแรงหน้านิ้วไม่มีความคุ้นเคยในพระเทระเหล่านี้เลยเนี่ยนะท่านก็ยูเงียบๆของท่านเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรชมพระนะั้นนั่นว่าท่านไม่คลุกคลีอันเนะี คือเพระอะไรเพราะว่าคุณธรรมของพระเนี่ยการประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยทำเพื่อให้คนเห็นดี <c oughs> เห็นงามด้วยใช่ไหมนะทําเพื่ออะไรเพื่อชื่อเสียงเป็นต้นใช่ไหมบอกไม่ใช่การปฏิบัติของท่านท่านต้องเข้าใจว่าท่านเข้ามาปฏิบัติอะไรเจริญอะไรเนี่ยนะมารักษาศีรษะรักษาทําไมนะมาเจริญสมถาวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยเจริญทําไมเจริญเพื่อเรียกร้องคํำชื่นชมหรือนะเจริญเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นด้วยหรือเพื่อให้คนอื่นเขา รับรองหรือเพื่อใหอ้เพื่อต้องการจะบอกว่าเราเป็นใครเรารู้อะไรบรรลุอะไรอย่างนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นคนอะไรมากๆกใช่ไหมก็กลายเป็นคนมากๆไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําของผู้ที่ชื่นชมสรรเสริญ น, นั้นจะต้องเป็นเป็นบัณฑิตแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจรอบรู้พระธรรมวินัยเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นการกล่าวตามธรรม นี่ขณะเดียวกันเนี่ยนะการสรรเสริญเนี่ยถ้าสรรเสริญรับหลังก็ไม่เท่าไหร่แต่นี้แหมพระปุณณะเนี่ยเพื่อนสะพรมจารีชื่นชมท่านต่อหน้าหรือเฉพาะพระพักของพระาศาสดานี่ถือว่าเป็นลาภอย่างยิ่งแล้วเนี่ยนะเป็นลาภอย่างยิ่งแล้วพร ะ, พระาศาสดาก็อนุโมทนาคุณธรรมของพระปุณะะปณะมันตานีบทสรุปว่าพระปุณณะมันตานีบทเนี่ยนะได้ลาภห้าอย่างด้วยกัน ที่ได้รับการสรนเสริญต่อหน้าพระพักหนึ่งผู้รู้สรรเสริญวินยูชนนะบัณฑิตนะผู้เป็นปราชญ์นะสันเสริญหนึ่งสองเพื่อนพรมจารีที่เป็นนักบวช ด, ด้วยสเพื่อนพรมจารีสรนเสริญเฉพาะพระพักของพระศาสดาสและสรนเสริญในเรื่องกระถาวถัตถุบอกเรื่องด้วยนะว่าสันเสริญว่าท่านเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษไม่อ่า วิเวกไม่คลุกคลีแล้วก็ปรารบความเพียรสรรเสริญด้วยศีลสมาธิปัญญาวิวมุตติย า, านาัศนะแล้วก็สรรเสริญว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามนี้แล้วก็สอนผู้อื่นให้เป็นตามนี้ขณะเดียวกันลาบอันสุด้ายก็คือพระพุทธเจ้าอนุโมทนาพระพุทธเจ้าประทับตรารับรองให้บอกว่าสาธุปแปล ว, ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้วเนี่ยนะถือว่าประทับตรายิ่งกว่าประทับตราแผ่นดินแล้วเหมือนกันเถอะเป็นการประทับตราที่สูงสุดของ พระพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยเขเรียกว่าเป็นลาภทั้ง5ประการของพระปุณณมันตานีบุตรแต่ว่าพระปุณณมันตานีบุตรนี่ก็เป็นเอตทะคะนะเป็นคนที่เป็นนักเทศแล้วพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยแสดงธรรมดีขนาดไหนก็ดูว่าท่านพูดให้พระนนบุรุเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยนะพระนนเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระปุณณะนะฟังธรรมจากพระปุณณะแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันนะเก่งขนาดนั้นแล้วกัน นี่ก็ภาษาริบทน์นี้ท่านมีความคิดเลยนะโอ้โห พ, พระปุณณะนี่เก่งอย่างเนี้นะก็เลยบอกว่าแหมภาษาริบท์ไม่เคยพบเห็นพระปุณณะมาก่อนมาก่อนก็เลยไม่เคยได้ฟังธรรมของพระปุณณ์และพระปุณณะนี่แสดงธรรมนี่ดีคิดว่าแสดงธรรมจนคนอื่นบรรลุได้นี่ก็ความสามารถขนาดไหนนะอย่างห้าร้อยรูปนั้นเนี่ยพระปุณณ์นะแสดงให้บรรลุนะก็สอนให้คนอื่นได้บรรลุตามอีตั้งหลายท่าน เพราะฉะนั้นถ้าสารีบุตรเนี่ยอยากจะเห็นหน้าพระปุณณนะอยากจะสนทนาด้วยสักวันหนึ่งนะจะต้องได้สนทนากับพระปุณณนะเอาไว้ได้เนี่ยนะก็บัณฑิตทั้งหลายก็อยากจะอยากคบเห็นอยากนั่งใกล้อยากสนทนากับผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะคนทานก็เหมือนกันนะเพราอยากสนทนาร่วมกับคนทานเพราะโลกนี้มันเป็นไปตามธาตุตามธาตุก็แปลว่าตามอัธยาศัยอัธยาศัยคนเช่นใดก็ปรารถนาที่จะคบหาสมาคมพบเห็นและพูดคุยกับ บุคคลเช่นนั้นเนี่ยนะของเราที่มานั่งฟังกันอยู่นี้พูดคุยกันอยู่นี้แสดงว่าธาตุมันใกล้ๆกันเนี่ยนะถ้าธาตุมันต่างกันเมื่อไหร่มันก็แยกถ้าธาต์เหมือนกันเมื่อไหร่มันก็รวมเรียกแยกรวมรวมก็อยู่อย่างนี้แหละเนี่ยนะก็ธาตุสี่มันก็เป็นอย่างไงแล้นะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนนะเจนผ่าน